ทำบุญแก้กรรมตอนกรรมด้านวาจาเทคโนโลยีสื่อสารฉับไวสอให้ก่อกรรมด้านวาจาได้ง่ายคำไม่กี่คำอาจทําให้ฆ่าตัวตายหรือมีกําลังใจสู้ชีวิตต่ออาจทําให้คนรักหรือเกลียดกันอย่างเช่นที่ปลูกระดมให้คนแบ่งสีแบ่งข้างเกลียดกันได้อย่างทุกวันเนี้การทําให้คนทุกหมู่เหล่าแตากแยก อาจถือเป็นบาปร้ายแรงเกือบเทียบเท่าการทำอนาริรยกรรมได้เลยนะครับคำพูดที่ถูกต้องถูกเวลาถูกบุคคลทำให้บางคนสำเร็จอริยะหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาแล้วทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืนเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งทำอะไรกับใครไว้ไม่ใช่ว่าคนนั้นต้องย้อนกลับมาทำเราคืนแต่ทุกที่คนอื่นได้รับทางใจเท่าใด จะดึงไปเจอคนที่เลวพอจะทำความทุกทางใจให้เราได้สมกับที่เราทำกับคนอื่นเข้าไว้ในอดีตนะครับบทหนึ่งที่พระให้พรคืออภิวาทนสีลิสะแล้วก็ว่าไปเรื่อยจนถึงอายุวันนสุขังพลังแปลว่าบุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมเป็นนิดย่อมเจริญด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันณสุขะพละ ที่เข้าใจว่าพระให้พรความจริงท่านสอนธรรมะให้นำไปปฏิบัติไม่ใช่พนมมือก้มรับแล้วคิดว่าเป็นมนขลังที่เสกให้ใครโชคดีได้พระพุทธเจ้าทรงฤิษมากนะครับแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าทรงเสกเป่าให้ใครรวยหรือโชคดีทรงแนะนำให้ทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนี้ใครทำอะไรย่อมได้รับผลนั้นจะโชคดีขึ้นอยู่กับความดีที่สั่งสมไว้จะเรียนเก่งต้องขยัน จาร่ำรวยต้องทำเหตุให้พร้อมซึ่งก็มีกล่าวไว้ในคาถาเศรษฐีแล้วนะครับอุอากาสะไม่ใช่ว่าเอามาท่องแล้วจะรวยนะครับแต่คำว่าอุอากาสะคือคำย่อของแต่ละประโยคที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ทำเช่นรู้จักหาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์รู้จักคบเพื่อนดีทำตามนั้นแล้วถึงจะรวยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาท่องท่องให้ปากฉีท่องอย่างเดียวยังไงก็ไม่รวยครับ แล้วก็ควรจะรวยได้จะโชคดีได้ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อไม่ใช่การใช้เบอร์โทรเลขสวยหรือเที่ยวเอาของไปเส้นไหว้ใครเคยดูทีวีแล้วเจอคำถามนะครับมีเด็กทางบ้านโทรมาถามว่าใช้เบอร์โทรเลขอะไรแล้วหนูจะเรียนเก่งฟังแล้วก็ขำอดสงสารไม่ได้นะครับจริงๆอยากจะตอบแทนว่าถ้าน้องอยากฉลาดเรียนเก่งต้องหยุดเชื่อเรื่องปัญญาอ่อนพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับ อยากให้ระลึกถึงคําของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าคนเข่ามักคํานวณดวงดาวอยู่และสําหรับป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยก็เหมือนกันเป็นป้ายประจานตัวเองได้ชัดที่สุดนะครับว่านับถือศาสนาพุทธด้วยจิตที่เต็มด้วยโลภะหรือประกอบด้วยปัญญาและเข้าใจศาสนาอย่างถูกทางเพราะอย่างที่บอกนะครับคนเราจะรวยได้ด้วยการกระทําด้วยบุญที่ตัวเองทํา ด้วยความขยันที่ตนเองทำไม่ใช่ด้วยการปักป้ายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรหรือการเชื่อเลิกมงคลอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางการบรรลุธรรมนะครับถือเป็นศินลพะตะปรามาตรอย่างหนึ่งความอ่อนน้อมคือสมบัติผู้ดีและมารยาทรู้จักเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นแม้ด้อยกว่าเคารพความเห็นแตกต่างว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ฟังที่ดี มีน้ำใจเป็นมิตรกับคนทุกเพศวัยนี่คือความอ่อนน้อมที่พระให้พรหรือที่พระท่านสอนเราทุกครั้งเวลาเราทำบุญนะครับเด็กคนหนึ่งเจอผู้ใหญ่ไม่ไหวหน้าบึง้งกับเด็กอีกคนไหว้สวยงามยิ้มแย้มผู้จาน่ารักเราจะเอ็นดูอยากช่วยเหลือใครมากกว่ากันเจ้าของร้านหน้าบึง้งหรือยิ้มแย้มจริงใจต่อลูกค้าเราจะอยากซื้อของใครมากกว่ากัน สังคมไทยในอดีตปลูกฝังการอ่อนน้อมในชีวิตประจำวันด้วยให้ระลึกคุณแม้สิ่งมองไม่เห็นเช่นพระแม่คงคาพระแม่โพศพเป็นจุดเริ่มให้กระตันยูรู้คุณส่งเสริมความอ่อนน้อมในใจลูกหลานกินข้าวต้องสำนึกบุญคุณชาวนาเด็กเสิร์ฟยกอาหารมาให้คนขับแท็กซี่แม่ค้าขายข้าวต้องสอนลูกให้สำนึกบุญคุณพูดขอบคุณคนเหล่านี้ให้ได้ทุกครั้ง ความอ่อนน้อมจะติดตัวเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและเจริญในทุกด้านอย่างที่พระท่านอวยพรได้จริงผู้สรรเสริญความดีผู้อื่นยอมได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งโลกทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัวไม่มีใครชั่วจนหาความดีไม่ได้คนฉลาดจะรู้จักสะสมบุญด้วยพยายามหาข้อดีคนอื่นมาชื่นชมยากยากด้วยนะครับว่าเป็นการชื่นชมจากใจจริง หรือประจบสอพลอหรืออวยเกินเหตุจนเสียคนถ้าอยากเห็นการอวยเกินเหตุในประเทศไทยนีิหาดูไม่ยากเลยนะครับเปิดดูทีวีประกวดร้องเพลงได้แทบทุกรายการของประเทศไทยและลองเทียบรายการเมืองนอกดูนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลย ว, ว่าการติเพื่อก่อจะส่งผลดีมากกว่าการอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างไรและในที่สุดศิลปินประเทศไทย ก็พัฒนาตามหลังต่างชาติอย่างมากยิ่งถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ในะครับจะเห็นชัดเลยว่ากรรมาการเขาเข้มงวดแล้วติแรงจริงๆติจนเด็กต้องไปพัฒนาตนเองแต่กับคนไทยไม่มีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นเลยร้องเพลงแทบไม่ต่างกับนักร้องตามร้านหมูกระทะแต่ก็ชมอวยเซเวอร์ซะอย่างกับเป็นนักร้องระดับโลกในที่สุดเด็กก็ไม่พัฒนา ขนาดจบซีซั่นมาหลายปีแล้วก็ยังร้องเพลงได้คุณภาพต่ำเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่อยากชี้ให้เห็นว่าการติการตาหนิเพื่อก่อการบอกข้อผิดพลาดที่แท้จริงเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาคนและคนแต่ละคนก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมคนยิ่งมีคุณภาพมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งมีคุณภาพมากเท่านั้นทาไมเกาหลีใต้เขาถึงเจริญเร็ว แล ะ, จะเจริญไปไวในช่วงเวลาไม่กี่ปีก็เพราะเขาไม่มีการอวยแบบไส้แตกเหมือนคนไทยนะครับเขามีแต่การติตาหนิในข้อผิดพลาดและให้แก้ไขทันทีบุญเกิดได้ทุกเวลาที่ชื่นชมความดีคนอื่นแม้ทำในใจเป็นวิบากสะสมในจิตส่งให้อนาคตมีโอกาสทาดีได้ง่ายมีพลังจิต ด, ด้านดีสะสมไว้มาก เดินไปไหนคนเข้าใกล้จะรู้สึกเป็นมิตรมองเราแต่งแงด่ดีซึ่งคุณเองอาจจะเคยเจอนะครับที่เจอใครครั้งแรกเรารู้สึกเกลียดหรือรักยังไม่มีเหตุผลมีหลักว่าคนประเภทเดียวกันจะชื่นชมกันการถูกชื่นชมสำหรับบางคนอาจเพราะเลวพอ ก, การถูกรังเกียจอาจเพราะธรรมชาติของคนเลวจะรู้สึกเกลียดคนดีได้ง่าย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 การกล่าวโทษผู้อื่นด้วยขาดการไตรตรองเป็นการสะสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียนี่คือคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เคยสอนไว้นะครับต้องแยกยะด้วยนะครับว่าการตาหนิจับผิดหาข้อผิดแม้จะมีเล็กน้อยมาตาหนิหรือมาคัดค้าน กับการติเพื่อก่อด้วยความรู้จริงและสามารถแนะนาได้ถูกระดับกับแต่ละคนเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่สะสมบาปจากการด่าสาบแช่งคนเลวซึ่งมีให้เห็นทุกวันจากข่าวเมื่อทำบ่อยจะเกิดเป็นพลังงานไม่ดีสะสมในตัวดึงดูดเอาคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้าหาได้ง่าย ส่งให้หงุดหงิดทุกใจจิตไหลลงต่ำง่ายขึ้นกว่าเดิมมีผลต่อสุขภาพจากการทดลองเรื่องคลื่นความรู้สึกโกรธที่กลั่นมาเป็นคำหยาบแม้แต่คิดในใจสามารถทำผลึกน้ำบิดเบี้ยวได้ทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษและระบบภายในเสียสมดุลยิ่งโกรธยิ่งดา่าคนอื่นจึงยิ่งทำร้ายตัวเองครูบาอาจารย์สอนว่าความโกรธเป็นอาหารของยักษ์คนขาดบุญหรือศีนคุ้ม จังหวะกรรมให้ผลคนกำลังโกรธขาดสติก็ทำให้วิญญาณร้ายเข้าสิ่งได้ยักษ์ท้งศาสนาไม่ได้หมายถึงสัตว์ประหลาดตัวโตนะครับแต่เป็นอมนุโทสะแรงมีหลายรูปแบบการขาดสติจากความโกรธหรือการผิดศีลเช่นการเมาจะเป็นช่วงที่วิญญาณร้ายแทรกแซงความคิดได้ลองสังเกตบางคนเวลาโกรธหรือขาดสติอาจแปลกใจว่าทาไมนิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคน ซึ่งในพระวินัยก็มีบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้พระชันเนื้อดิบเลือดสดได้เฉพาะเวลาที่พระอาพาธจากการถูกอามนุษย์เข้าสิงเท่านั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่จริงการด่าสาบแช่งแม้คนเลวเท่ากับผูกกรรมเวรกับเขาจิตที่อยากให้เขาถูกลงโทษได้สะสม อาจส่งให้เราไปเกิดเป็นนานิรยาบาลเพื่อลงโทษสัรนรกได้เต็มที่มีบุญแทนที่จะไปเป็นเทวดาสุขสบายกลับต้องไปอยู่ในนรกการสะใจที่ได้ลงโทษแม้แต่ความคิดอาจนำสู่พบหน้าให้เกิดเป็นนายจ้างใจร้ายลงโทษลูกจ้างแบบรุนแรงอย่างที่เห็นในข่าวก็เป็นได้วิธีที่ดีไม่เห็นคนทาผิดต้องคิดถึงกฎแห่งกรรมว่า จะสนองคืนคนชั่วอย่างสาสมเองใครที่โดนทำร้ายต้องเคยทำคนอื่นไว้ก่อนถ้าระลึกชาติได้จนเห็นผู้ชายใจเยี่ยมฆ่าข่งคืนร้อยศพแต่ปัจจุบันกลายเป็นเด็กน้อยน่าสงสารถูกกระทำคืนเราคงไม่โกรธใครเลยแต่จะรู้สึกสลดและสงสารเขาทั้งคู่แทนมีวิธีสร้างเกราะป้องกันเบื้องต้นด้วยการอธิษฐานทันทีที่เห็นคนทาชั่ว หรือไม่เห็นคนเจอเรื่องร้ายว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วขออย่าได้มีโอกาสทำผิดแบบนี้หรือได้ทำกรรมที่ต้องเกิดมาเป็นมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยตามด้วยการแผ่กุศลส่งให้พวกเขาทั้งหมดขอให้ไปดีมีสุขได้เกิดในภพภูมิที่ดีในวันหน้ากลับตัวกลับใจอย่าได้ทำผิดบาปอย่าจองเวนกันอีกเลยการให้อภัยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่การลงโทษตามกฎหมาย ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำตามสมควรด้วยคนส่วนใหญ่มักด่าทอกันด้วยความโกรธใครเชื่อไม่เหมือนตนกลายเป็นคนเลวคนโง่ไปทั้งหมดอาหารว่างคือการหาข้อเสียคนอื่นมาตาหนิพยายามสั่งสอนลูกหลานชาวบ้านให้เป็นอย่างที่ตนเองต้องการแต่กลับไม่สามารถขัดเกลาคนใกล้ตัวหรือลูกหลานตนเองได้เลยการตาหนิด้วยเจตนาจ้องจับผิด หรือตั้งใจยกตนข่มท่านล้วนเป็นความเลวทั้งนั้นแม้แต่การด่าแบบสุภาพด้วยการยกคำพระมาอ้างเพื่อตาหนิคนอื่นก็มีเห็นทั่วไปควรพิจารณาตนให้มากนะครับดูแลลูกหลานและคนใกล้ตัวให้ดีก่อนหรือทำตัวเองให้ดีก่อนจึงค่อยเผื่อแผ่มาตักเตือนแนะนำผู้อื่นด้วยความหวังดีและต้องมั่นใจว่าเรารู้ลึกรู้จริงกล่าวได้ถูกเวลาถูกบุคคล อธิบายได้ถูกระดับสติปัญญาของเขาต้องดูว่าเขายอมศรัทธาในตัวเราหรือไม่ควรทำด้วยเจตนาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันเพื่อรักษาความจริงหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องเคารพความคิดแตกต่างของอีกฝ่ายด้วยถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอริยะก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าสิ่งที่ตนเองรู้จะถูกต้องที่สุดที่เห็นเขาโง่งกว่าเรา บางทีเขาอาจจะฉลาดล้ำลึกกว่ามากก็ได้แค่การอธิบายธรรมะสำหรับตนเองปฏิบัติกับธรรมะที่สำหรับเผยพร่ไปสู่คนแต่ละกลุ่มบางทีแง่มุมการอธิบายการเปรียบเทียบอาจต้องมีกุสโลบายและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นสอนเด็กอนุบาลไม่ให้เล่นซ่อนแอบกลางคืนอาจเอาเรื่องผีมาขู่ให้กลัวไม่มาเสียเวลาอธิบายเหตุผลแบบผู้ใหญ่ให้เข้าใจ คนที่โง่กว่าผ่านมาเห็นก็ถากถางว่าสอนเด็กแบบเนี้ยปัญญาอ่อนไร้สาระไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างระดับโลกนะครับคนที่ฉลาดมากๆแต่กลายเป็นดูคนโง่ในใสายตาคนอื่นโดนครูด่าว่าโง่ก็คือไอนสไตล์ที่ฉลาดกว่าครูหลายเท่าคิดซ้อนลึกกว่าคนทั่วไปหลายชั้น จนตอนเด็กถูกครูมองว่างโง่และสมองทึบสังคมไทยเราเสื่อมลงทุกวันเพราะสุดตรงไปสองด้านด่าตำหนิด้วยความโกรธไม่สามารถอธิบายในระดับที่เหมาะสมกับบุคคล น, นั้นได้ขาดคำแนะนำหาทางออกให้คนทำผิดได้แก้ตัวเน้นต้องลงโทษรุนแรงต้องกำจัดคนคิดไม่เหมือนเราอีกพวกก็คือ นิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนใครจะแนะนำด้วยความหวังดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาก็ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมฟังแถมตำหนิออกมาห้ามเหมือนเห็นเด็กทำผิดแทนที่จะช่วยกันตักเตือนสั่งสอนกลับบอกว่าอย่าสนใจให้ดูแต่ตัวเองเราเป็นคนดีก็พอแล้วกลายเป็นลัทธิอุเบขาสากเบือซึ่งเป็นคาที่ผมนิยามคนพวกนี้ไว้นะครับเมืองไทยเนี่ย อวกันจนเหลืองวางเฉยกันจนชินแต่ครั้งจะหาคนติเพื่อก่อที่รู้จริงและมีวาทสิน์ในการอธิบายก็แทบเหมือนงมหาควายในมหาสมุทรเลยกันทีเดียว